เราปฏิบัติตัวเราด้วยอศีลธรรมปฏิบัติเพื่อช่วยตัวเองอันดับแรกต้องช่วยตัวเองอันดับต่อไปก็ช่วยลวกช่วยสงสารหมู่เพื่อนเป็นลำนํำดับธรรมาตามกำลังความสามารถของเราทนี้เวลาเราปฏิบัติ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 โดยลำดับลำดาตามขั้นตามภูมิ้องรับคำนแนะนาตักเกตือนสั่งสอนไปเรื่อยๆจนกระทาั่งถึงที่สุดจุดหมายปลายทางไม่มีทางไปอีกแล้วอันว่าสิ้นสงสัยนั่เรียกว่าไม่หวังพึ่งอะไรทั้งสิ้ น, นคือพึ่งตัวเองได้แล้วประจักษ์กับใจทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรบกพร่องภายในจิตใจ ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ตายที่ไหนก็ตายได้ไม่มีอะไรเป็นปัญหามันเป็นปัญหาเฉกับเรื่องของความห่วงความใยในธาตุในขันในคนนั่นคนนี้ <c oughs> เพราะความเป็นอยู่ภายในจิตใจของเราเองที่จะเป็นอย่างนั้นเมื <c oughs> มันเต็มที่แล้วมันก็ปล่อยได้หมดการตายก็ตายง่าย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 ความทุกข์เกิดมาในประเภทหนึ่งอีกย้ำิดขังแล้วปฏิทำผิดปุขังปาทธนาจึงไม่สมหวังนั้นเกิดความทุกข์น่ะคือความบกพร่องจึงต้องปัทธนาจึงต้องการเมื่อไม่ได้ก็ามาตามใจหวังก็เกิดทุกข์ได้ขึ้นมาแล้วก็เกิดทุกข์ขึ้นประเภทหนึ่งเพราะเหตุอะไรจึงต้องเป็นนั้นเพราะเรื่องของดิเลสความต้องการสิ่งนั้นสิ่งนั้นนั้นด้วยความอยาก เพราะอำนาจของกิเลสเวลาได้มาก็ได้มาด้วยอำนาจของกิเลสรักษาด้วยอำนาจของกิเลสซูนไปหายไปด้วยอำนาจของกิเลสมันก็เป็นทุกข์กันทั้งนั้นะ<ง>ถ้าเรื่องทําแล้วได้มาก็ตามไม่ได้มาก็ตามไม่เป็นทุกข์ผิดกันตรงนี้นี่ความสมบูรณ์ของจิตกับความบกพร่องของจิตจึงต่างกันคนละโลกแม้จะชื่อว่าจิต ด, ด้วยกันก็ตามจิต ด, ดวงหนึ่งเป็นจิตที่สมบูรณ์ เต็มที่กิดนดองหนึ่งเต็มบริวารความบกพ่องทั้งสองอย่างนี้จะทรงตัวได้ต่างกันอยู่มากตังหนึ่งทรงตัวไม่ได้ต้องเอ็นต้องเอียงต้องวุ่นต้องวายหานั้นมาเกะาะนี้มาอาศายัยยุ่งไปหมดแทนที่จะสะดวกสบายตามที่อาศัยนั้นอาศัยนี้เละกลับเป็นทุกข์เป็นลำบากเพราะจิตนี้เป็นความบกพ่องอยู่แล้วจะอา้าัยอะไรมันก็บกพร่องในตัวของมันอยู่นั่นแหละ ท่านจึงสอนให้ทําใจให้ดีให้ดีไปโดยลําดับจนกระทั่งถึงขั้นสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์ตลอดเวลาอะไรจะบกพร่องก็ตามอะไรจะมีกฏมีการในร่างกายเครื่องใา้ไม่สอยที่เราเคยอาศัยมาดั้งเดิมอะไรจะขาดตกบกพร่องไปมันก็ไม่มีอะไรเป็นปัญหาเพราะจิตไม่มีปัญหากับสิ่งล่านั้นและสิ่งนั้นจะมาเป็นอันตรายต่อจาิตได้อย่างไร เรื่องเป็นอันตรายก็ผู้กิจเป็นผู้สร้างขึ้นมาใช่เองที่มาเป็นพิษเป็นภัยต่ดตัวเองนานนริรลักษธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เราได้ยินแต่ชื่อว่าธรรมธรรมธรรมไม่เคยเข้าสัมผัสใจอืสมาธิก็ได้ยินแต่ชื่ออ่านแต่ชื่อของกมาธิอืทั้งวันทั้งคืนแต่ก็ไม่เคยเห็นตัวเห็นองค์ของสมาธิแท้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 หรือร้ายกี่คนก็ตามกี่ตัวก็ตามมันเที่ยโฉกเที่ยวักเที่ยวป่นเจี่สะดมบ้านเมืองให้เกิดความเ ด, ด, ดือดร้อนมุ่นหายอยู่เราได้ชื่อมันจะมาทั้งโคดมันมามันก็ไม่ทําอะไรให้ดีขึ้นมันคงโฉก ค, คงรักคงป่นคเฮือมีตามเดิมนอกจากจะได้ตัวมันมาเสียเท่านั้นบ้านเมืองจะร่มเย็นอันนี้เราได้แต่ชื่อของมรรคของผลของสวรรค์นิพพานของสมาธิของปัญญาและได้แต่ชื่อของชิเลศ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 ผลของการภาวนาทำจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นแล้ววิธีทําทําอย่างไรจรึงจะมีความสงบร่มเย็นเราก็ศึกษาวิธีท ำ, ำอย่างกาหนดพุดโทโธทําโมรุสังโฆบุตรก็ตามกําหนด อ, อนาปาใหติก็ตามแล้วแต่ จ, ะจะริตจิตใจของเราที่ชอบเรานํามาม า, ม า, ม า, มากํากับรักษาจิตใจของเราซึ่งมันเคยสายแสบไปเกาะ น, นั่นเกาะนี้ที่นี้ให้เกาะทำคือคําบธรรมภาวนาด้วยความมีสติตั้งอยู่กับจุดนั้นพระยอมให้กิจสายแสบไปน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 ความสบายก็ปรากฏขึ้นมาภายในใจของเรานี่เราหเห็นตัวแล้วนี่เห็นตัวความสงบของจิต ด, ด้วยเห็นความสุขที่ปรากฏขึ้นจากความสงบนั้นด้วยนี่เราจะเรียกว่าจิตของเราเป็นสมาธิก็ได้ไม่เรียกก็ได้จิตมีความสงบเยือกเย็นอยู่ภายในจิตใจคือจิตที่ได้หลักฐานหรืออาหารที่เหมาะสมอย่าจิตใจย่อมไม่เดือดร้อนเพราะไม่ใช่อาหารพิษเหมือนอย่างอาหารที่เราเคย คิดเคยปรุงเคยแต่งทั้งหลายนั้นส่วนหน้เป็นอาหารพลิกคิดเอามาท่าไหลายก็มาเผารนตนเองให้เกิดความเดือดร้อนมุมบายและสั่มแสายอย่างนั้นบางทีจะนอนไม่หลับเพราะความคิดมากแต่เราก็ไม่รู้จักวิธีดับรู้แต่ว่าวิธีก่ออย่างก่อไฟแต่วิธีดับไม่รู้ ม, รมีรู้แต่วิธีคิดวิธีปรุงยุ่งไปหมดแต่วิธีที่ทจะระงับดับความคิดความปรุงจนเพื่อความสงบนั้นไม่รู้นั่นคือทุกมันจึงตามมาอยู่เรื่อยๆบนเท่าไหลามันก็ไม่สําเร็จประโยชน์หาว่าความบ่นนี้มันสําเร็จประโยชน์ ทุกได้ดับไปแล้วใครก็บ่นได้ทั้งนั้นแล้วไม่จําเป็นก็ต้องไปพูดปฏิบัติอันใดทั้งหมดบ่นให้ทุกพิรุธทิพหายไปหมดนะั่นคนจะได้มีแต่ความสุขกันทั้งโลกเพราะบ่นได้ด้วยกันแต่นี่ไม่สําเร็จประโยชน์เพราะการบ่นด้เฉยเราต้องทําตามหลักที่ท่านสอนวิธีทํากระลังที่อธิบายแล้วนี่ขั้นที่ว่าจิตจะเป็นสมาธิจิตจะมีความสงบท่านก็สอนอย่างนี้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 อยู่ด้วยการรู้ลมลมละเอียดก็ทราบแต่จะไปปรุงว่ามันจะละเอียดไปแค่ไหนอีกต่อไปให้ทราบอยู่เพียงเท่านั้นแล้วก็จะลมละเอียดใจก็ละเอียดและสุขก็ค่อยปรากฏมีขึ้นมาเองนี่ท่านนี่วะผู้บายที่ถูกต้องถ้าผู้กาหนดพุดโทโธหรือทำบทใ ด, ดก็ตามก็ให้รู้อยู่กับทาบทนั้นเท่านั้นจิตใจอย่าง้าสู่ความสงบ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 อ๋อเรามีคุณค่าเรามีราคามีความแตกหลางใจเกิดความสนใจขึ้นในจุดนั้นและพยายามบําเพ็ญให้มากขึ้นโดยลํำดั บ, ดบจุดนี้ยิ่งจะเด่นขึ้นไปเป็นความมีคุณค่ามากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นความอัศจรรย์ภายในตัวเองแม้ใครไม่เห็นก็ตามเป็นความกระยิ่บอยู่ภายนจิตเบิกอิ่งอยู่ทั้งวันทั้งคืนเย็นเย็นภานจิตนี่ผิดกับเย็นทั้งหลายเบาไปหมดร่างกายก็เบา อารมณ์ก็เบาจิตใจก็เบาใครว่าอะไรก็ไม่ค่อยจะโกรธง่ายๆเพราะมีอารมณ์มีอาหารเป็นเครื่องดื่มนี่ไม่ได้หิวได้โหยนี่ในขณะที่หิวโหวยแล้วเรามองดูที่ในธาตุขันเรานี่เราเราสังเกตดูก็รู้ในขณะที่ธาตุขันรังหิวโหวยมากแม้แต่เห็นใบไม้ก็เข้าใจว่าเป็นผักไปเลยเพราะความหิวโหวยเระบังคับให้สําคัญสิ่งนั้นถึงนี้ว่าเป็นอาหารโดยทั้งที่อะไรก็เลยหล่อ่อยหมดนี่พออินแล้วมันก็รู้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 ทำพูดของเขาที่พูดมานั้นเอามาเทียบเคียนโดยเหตุโดยผลหากว่าสมควรจะยึดก็ยึดไม่สมควรจะยึดก็ปล่อยทิ้งเสียเพราไม่เกิดประโยชน์หื่นเอามายุ่งกับตัวเองตัวเองก็จะเป็นคนยุ่งเข้าไปอีกคนหนึ่งก็จะไม่เกิดประโยชน์แล้วเกิดโทษจากตัวเองมีสมมีมีอย่างหนึน่นสลัดไปเสีย<ม>นานแล้วปราชญท่านเป็นอย่างนั้นมีเพียงขั้นสมาธิคือความสงบภ า, ายในใจปรากฏขึ้นมา แล้วก็เห็นเราเป็นคนหนึ่งขึ้นมาแล้วโดยที่ไม่เกิดความสาคัญอะไรเลยมันเป็นในตัวเองว่าเป็นความสําคัญขึ้นมาภายในตัวเองด้วยอํานาจแห่งธรรมคือความสมบงบของใจใจไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยใจยเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากโดยหลักธรรมชาติแล้วเท่าที่ใจไม่ปรากฏว่ามีคุณค่าอะไรก็เพราะสิ่งไม่มีคุณค่านั้นแหลมันครอบงำจิตจนกลายเป็นจิตเหล้วไหลไปหมดตัวก็เลยกลายเป็นคนเล้วไหลคนไม่มีวาสนาไปว่าอย่าง น, านั้นแหละตำหนิเจ้าของไปเรื่อย ตำหนิเท่าไรก็ยิ่งด้อยลงไปด้อยลงไปเพราะไม่บำเพ็ญไม่พยุงตัวให้สูงขึ้นไม่สำเร็จด้วยการตำหนิเหตุที่จะตำหนิก็เพราะมันไม่มีอะไรปรากฏพอที่จะมีคุณค่าภายในจิตมีแต่ความรุ่มร้อนทั้งวันทั้งคืนดื่นๆนต้งนอนรุ่งไปหมดนี่ก็ต้องตำหนิไปอย่างนั้นคนเราเป็นธรรมดาไม่ว่าท่นานเราเป็นเหมือนกันหมดแต่พอจิตได้รับความสงบเยือกเย็นขึ้นขึ้ น, นมาแต่นั้นมันพอมองลดูนอนมองดู น, น, นี้ได้ฟังอะไรก็ฟังได้เต็มหูดูอะไรก็ดูได้เต็มตาพิจารณาได้ด้วยปัญญา ไม่ค่อยชุนเฉียวอย่างง่ายๆนี่อำนาจแห่งความสงบของใจอำนาจแห่งความสุขของใจที่มีอาหารดื่มทำคนให้มีความเชื่อมทำปิติให้มีความเชื่อมต่อเหตุต่อผลต่ออารมณ์ทั้งหลายได้ดียิ่งกล้าเข้าทางด้านปัญญาโดยแล้วยิ่งมีความเฉลียวฉลาดแพลวเพลีวพิจารณาอะไรพ้นคว้าอะไรเห็นได้ชัดเจน ความตายนี่พิจาจรณาเฉพาะ ต, ตัวเองกระจายไปหมดทั่วโลกธาตุโลกวันนี้มันเป็นโลกตายเพราะเป็นโลกเกิดมาแล้วดังเดิมนะเกิดเป็นต้นเหตุของความตายใครเกิดมาอะไรเกิดมามันต้องตายด้วยกันทั้งนั้นแต่มนุษย์และสัตว์นีรร่ที่สําคัญที่มีอายุรุ่นที่มีวิ ญ, ญญาณครอบครับที่เข้าสิลอยู่นั่นแหละมันรับทราบทั้งความสุขความทุกข์ทุกสิ่ง ท, ทุกอย่างก่อนที่จะจะตายแต่ละร่างแตละร่างแต่ละคนละคนโอ้โหทุรนทุรายจนกระทั่งทนไม่ไหวแล้วก็ตายไปนี่เป็นความทุก ควาเกิดก็เป็นทุกข์ในขณะที่เกิดขึ้นมาทีแรกแต่เราไม่รู้เฉยๆมนันนอดตายถึงได้ยังเป็นมนุษย์มานั่นออออกมาจากช่องแคบๆทาไมจะไม่สลบสลายไปคนเราแต่เราไม่ได้เคยคิดเรามองข้ามไปเสียจึงต้องการแต่ได้เกิดจะเกิด <S 2> <S 2> <S 2> ความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นในขณะที่เกิดนั้นเราไม่ทราบทั้งๆ ท, ที่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นจึงไม่กลัวจึงไม่จึงกลัวแต่แต่ตายเกิดไม่กลัว ถ้าเวลาจะพินารให้เสมอต้นเสมอปลายโดยเป็นอดเป็นทันแล้วเกิดนั่นแหละเป็นต้นเหตุแห่งความทุกขมาก่อนแล้วและจะส่งผลไปถึงความตายนะ่ะคุกจะต้องไปเป็นในระยะนั้นอีกมากมายนี่นี่เรื่องปัญญาพิจารณาอย่างนี้แหมก็แก่ไปด้วยกันนั่นแหละถึงแต่ต้นไม้มันก็ยังแก่แต่ไม่ทราบความหมายของมันว่าแก่อย่างไรบ้างเรานี่ทราบแก่ยังไงแล้วทุ ก, ก็แก่ไปด้วยอืทุ ก, ก็แก่ขึ้นทุกวันทุกวัน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 ควารู้เรื่องรู้ลาลูเหตุรู้ผลถอยเข้ามาก็ได้ความสงบเป็นที่พึ่งของตัวโดยลํำดับเพราะอํานาจแห่งปัญญาเป็นเครื่องซักฟอกสิ่งที่มัวหมองความหลงลงมาอยู่ภายในจิตใจออกแล้วจิตใจก็มีความแผวพาวขึ้นมาโดยลําดับ น, นี่เรียวกว่าพึ่งตัวเองได้เดิมลำดับการที่พิจารณาถึงเรื่องความเกิดแก่เกิดตานี่เพื่อจะฉลาดความรุ่มความหลงในสิ่งเหล่านั้นออกแล้วถอนตัวออกมาอยู่โดยเอกเทศคือไม่ต้องไปยึดอะไรด้วยอํานาจของปัญญา ที่การกรองสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทั้งหลายออกจากจิตใจโดยลําดับลํำดั บ, ดบจนกระทั่งจิตมีความบริสุทธิ์ขึ้นมารวมนาดของปัญญานี้นี่การดําเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะเห็นสาระของจิตใจตัวเองไปโดยลําดับลําดับเรียกว่าสร้างที่พึ่งให้ตนมีความแน่นหนามันกลมขึ้นไปโดยลําดับปัญญาพิจารนาชเลียวฉลาดรอบตัว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 เป็นอยู่ตลอดเวลาเรารับความผิดชอบก็รับความผิดชอบตามฐานะที่ได้อาศัยกันมาโดยตามหลักธรรมชาติของมันอย่างหนึ่งต่งหาแต่ไม่ได้ไปยึดไปถือให้เกิดความสำคัญมั่นหมายจนกระทั่งเกิดความหนักภาย ใ, ใ, ใ จ, จิตใจของตนเองที่เพียบ่าพิเลสภาระอันหนักก็คืออุปาทานหูเท่าถันปัญญาแยกดูให้เห็นรงฐานลงฐานเวลานี้มันเป็นอยู่ วาระต่อไปมันจะตายเนี่ยก็บอกอย่างนั้นบอกตัวเองให้เข้าใจเรื่องความจริงอย่าหลงอันว่าให้รู้ตามเป็นจริงของมันมปา่าช้าอยู่กับตัวของมันสมบูรณ์อยู่แล้ว<ม>เราจะไปจับจองว่าไม่ให้ตายอย่าไปจับจองเอามันเป็นการผืนคติธรรมดาจะเกิดทุกข์แก่เรามีปัญญาสอดแทรกไปเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวาง รูปก็ปล่อยวางคือรูปกายก็ปล่อยวางเวทนาเกิดขึ้นดับไปดับไ ป, บไปรู้ตามหลักธรรมชาติของมันจะเกิดขึ้นภายในากายก็ตามเกิดขึ้นภายในจิตก็ตามก็คือเวทนาอันเป็นที่ปริณาธรรมเป็นของที่แปรปรวนเป็นของไม่แน่นอนไม่ควรจะไปยึดไปถือไม่ควรจะไปเค่งพิง พ, งพิงอาศัยมันจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอันใดที่เป็นหลักแก่นสารอันสําคัญก็คือสติปัญญาชักิพ่อไปเดิยลำดับ สิ่งที่จะมีความปองสัยขึ้นมาภายในตัวเองก็คือใจเมื่อรับปัญญาสักพอ้อกถักสิ่งทั้งหลายที่เข้าไปเกี่ยวข้องนั้นออกได้ด้วยปัญญาแล้วใจก็สว่างสวัยใจก็พึ่งตัวเองไปได้เดิมนับสลัดทิ้งหมดด้วยอํานาจของปัญญาในบรรดาธาตุขันหรือกิเลสอาชวะที่มีอยู่ภายนาจในจิตใจได้สักพอกกันกันหมดโดยสิ้นเชิง นั่นแหละคือจิตที่พึ่งตนเองได้เป็นที่แล้วก็ไม่ต้องพึ่งใครอีกไม่พึ่งผู้ใดทั้งนั้นแม้แต่จะอยู่เฉพาะพระภาคพระพุทธเจ้าก็ไม่ทูลถามท่านไม่หวังพึ่งท่านเพราะเราสร้างที่พึ่งของเราอย่างเพียงพอแล้วภายในจิตใจนี่อย่างนี้แลสาวกทั้งหลายท่านสร้างตัวท่านท่านสร้างอย่างนั้นสร้างให้เห็นประจักษ์ตั้งแต่ความจุในขั้นเริ่มแรกจนกระทั่งความจุอันสมบูรณ์ภายในจิตใจเหนืยอยาการสร้างใจ จึงเป็นการสร้างยากการปฏิบัติต่อใจเป็นการปฏิบัติยากงานของใจเป็นงานที่ยากแเวลาได้ผลแล้วคุ้มค่าคนจึงไม่อยากทำเพราะเห็นว่ายากแต่นักปราดหรือผู้ที่เห็นการไกลพินิพิจนาทบทวนต้นปลายเข้าเทียบเคียงกันแล้วก็อดที่จะสร้างความดีไว้เป็นที่พึ่งของตนไม่ได้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 ถ้าไม่ได้มาด้วยสาเหตุของการทําดีเท่านั้นไม่มีทางอื่นที่จะเกิดความสุขขึ้นมาได้เนี่ยนี่แหละสาเหตุที่จะให้เราเสร้างความดีแล้วก็สร้างตามหลักของธรรมท่านสอนไว้เราเชื่อธรรมเชื่อพระพุทธเจ้ายากลําบากแล้วก็ทํำดังที่ท่านทัง้งหลายที่อุตส่าห์มาจากกรุงเทพมาถึงที่นี่ก็กายแสนกายทํามามาได้ก็ม า, ด, มา ด, ด้วยความเชื่อความนงสใยมาด้วยความอุตสาห์พยายามเพราะความเชื่อขพระพุทธเจ้าทันแหลาลําบากแค่ไหนก็มา สละเป็นสละตายสละเวลาเวลาสละทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อถึงการแล้วพร้อมเสมอที่จะเป็นไปตามความจําเป็นชีวิตเหตุการณ์นั้นๆเราก็มาได้ถ้ า, ากว่าเราไม่สละอย่างนี้มันมาไม่ได้นะคนเราใครจะไม่รักไม่สงวนชีวิตของตัวเองใครจะไม่รักไม่สงวนของสมบัติเงินทองของเสียไปแต่ละบาทแต่ละจางเสียได้ทั้งนั้นเพราะเป็นเพราะเป็นสมบัติของเราแต่ทําไมาเราถึงสละได้ก็เพราะน้ําใจที่เชื่อต่อพระเจ้าพระธรรมสงฆ์เพื่อตัวเองนี่แหละเราก็มาได้นี่ พูดถึงเรื่องศรัทธาพูดพถึงเรื่องปัญญาพิจารณายากลําบากแล้วก็ทําได้ไปได้มาได้แล้วการบำเพ็ญจิตใจเป็นสิ่งสําคัญขออยากได้ปล่อยวางในสิ่งสําคัญให้เห็นว่าสิ่งสําคัญนั่นแหละเป็นสิ่งที่ควรจะรักษาสมนเป็นสิ่งที่ควรจะทนุถนอมบํารุงรักษาให้ดีขึ้นโดยลำดบ ชาตินี้เราก็อาศัยใจเราอาศัยความสุขชาติหน้าเราก็ต้องอาศัยเหมือนกันชาตินี้กับชาติหน้ามันก็เหมือนกับวันนี้กับวันพรุ่งนี้แยกกันไม่ออกสืบเนื่องจากวันนี้ก็ไปเป็นวนันวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันมะรืนเรื่อยๆไปสืบเนื่องมาจากเมื่อวานก็มาเป็นวนันนี้สืบเนื่องมาจากชาติก่อนก็มาเป็นชาตินี้สืบเนื่องจากชาตินี้ก็ชาติหน้าเพราชาตินั้นเรื่อยๆไปนี่เป็นหลักธรรมชาติของจิตที่มีชื้อแห่งมรระอยู่ภาย ใ, ใจิตใจจะแยกไม่ออกในเรื่องการเกิดการตาย คือต่อเนื่องไปดยหนะหากจะมีพบมีชาติต่อเนื่องไปโดยหนักก็ตามขอให้มีคุณงามความดีเป็นสิริมงคลเป็นเครื่องพยุงจิตใจมีอยู่ภายในจิตใจไปพบไดชาติใด <c oughs> หากจะเกิดอยู่ในวัฏฏะทุศานก็ <c oughs> ออยังมีความมีความสุขเป็นเครื่องสนองความต้องการจะไม่ร้อนพูนอุนตการมากนะักจะไม่เลยรับความทุกข์ทรมานมากเพราะมีความสุขเป็นเครื่องบรนเทากันไปแล้วก็พอเป็นไปได้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 การเป็นไปของเราก็ไม่ยากตายที่ไหนแล้วประตายได้ทั้งนั้นแหละเพราะการตายไม่ใช่แบบจะทําให้เราล่มจมเรื่องตายเป็นเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องความบริสุทธิ์เป็นเรื่องของใจเรื่องความดีเป็นเรื่องของใจเราดีทั้งดีเสมอไปไม่มีความล่มจมบริสุทธิ์ต้องบริสุทธิ์เสมอไปไม่ใช่ความบริสุทธิ์เพื่อความล่มจมเราจะไปล่มจมที่ไหนท้าวเป็นของล่มจมเราก็เกิดมากี่พวกพิฆาตเราทำไมมาเกิดได้อีกทําไมไม่ล่มจมไปเสียชาตินี้เรามาเกิดได้ทําไมเนี่ย และชาติหน้า ม, มันก็มีอีกเช่นเดียวกันกับชาตินี้เหมือนกับวันพรุ่งนี้จะต้องมีเช่นเดียวกับวันนี้นะเป็นอย่างนั้นท่านขอให้พากันปีนีพิจารณาให้บำเพ็ญกิะพระนาเป็นสําคัญสร้างกิจทั้งเราให้มีสาระขึ้นจะเป็นที่อบอุ่นสบายจิตสบายใจการทําหน้าที่การงานอะไรก็ตาม สมาธิภาวนาการบำเพ็ญกุณณาความดีนี้ไม่เป็นอุปสรรคต่อหน้าที่การงานใดทั้งนั้นนอกจากจะเป็นเครื่องส่งเสริมหน้าที่การงานให้มีความสมบูรณ์ให้มีความรอบคอบให้ถูกต้องในงานขั้นโดยลำดับฉะนั้นไม่มีอย่างอื่นที่การบำเพ็ญทำจะเป็นข้าศึกต่อหน้าที่การงานและผลประโยชน์ทางอื่นยินข อ, อุตติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้